ต้นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้เราก็มาคุยกันต่อนะวันก่อนมาจบลงที่พวกอาคารสามหลังแน่พวกที่หน้าทะเมิงถึงเขาคุมกันตอนนั้นอาตมากับบรรดาลุงสี่คนนั่งอยู่บนยอยเขามองไปก็เห็นชัดฮะเอาต่อเลยนะ แล้วก็เมื่อสงสัยว่าเขาเข้าไปทําไมกันแล้วผู้ที่ยืนอยู่ผู้ที่ออกมานั้นก็ดูท่าทางอิดโรยหน้าตาเศ้าส้อยก็สงสัยอีกนั่นแหละสงสัยว่าเขาไปไหนกันแต่พอถามท่านลุงถามว่าคุณลุงค ร, รับคนนั้นนะครับไปไหนกันท่านลุงคนหน้าแก ก็แสดงท่าทางเป็นคนรู้เข้ามาทันทีรู้สึกว่าท่านลุงที่เป็นหัวหน้าเนี่ยท่านมีความรู้มาก่านจริงเป็นหัวหน้าคนท่านก็บอกว่าเมือง น, นี้เนี่ยหลานรักเขาเรียกกันว่าเมืองนอรกเอาละสิแจกโกแล้วแล้วท่านก็นชี้ไปทานี่คนยืนแล้วก็มีจำนวนจำนวนมากนับเป็นพันเป็นหมื่นคนนะแล้วท่านก็บอกว่า ทุกคนที่ยืนคอยอยู่นั้นเขาคอยการตัดสินเขาพยายายมราชนล้ผู้ที่เข้าไปเขาก็อผู้ที่เข้าไปนะเขาก็จะต้องถูกพยายม เ, าเรียกตัวแล้วก็ชําระโทษตามความผิดแล้วก็ผู้ที่ออกมาแล้วก็เดินไปทางทิศตะวันออกนั่นเป็นพวก พูดนี้พยามยมชำระคดีแล้วและคนที่นำก็คือนายนิรยาบาลนายนิรยาบาลนี่ก็แปลาบาลเขแปลว่าผู้รักษานรกแปลว่าเป็นผู้รักษากฎหมายเมรเนรกนำไปลงโทษตามโทษสานาโทษที่พวกเขาทำไว้ท่านพูดแล้วจึงกระชี้มือไปทางทิศตะวันออก แอ้ท่านก็นบอกว่าให้มองดูตามมือที่ลงชี้นี่เมื่อมองไปตามก็เห็นทุ่งกว้างหาที่สุดนี้ได้มีแสงไฟพุ่งขึน้นสูงแอ้บริเวณแสงไฟก็ไกลแสงไกลไม่รู้ว่าที่สุดของบริเวณนั้นนี่อยู่ตรงไหนแล้วท่านลุงก็บอกว่าตรงนั้นแหละหลานนักที่เขาเรียกกันว่านรกจรึงถามท่านว่าตรงนี้อ่ะ ที่คนที่ยืนนี่ที่พระยาโยมตัดสินเขาเรียกว่าอะไรท่านบอกว่าตรงนี้ไม่ชนะโลกกลันเป็นเขตของเทวดาชั้นจาตุมหาราชแต่ว่าพระยาโยมนี่ท่านเป็นพรหมนะท่านมีความไม่ตาหมายความว่าคนที่ลงไปเนี่ยแทนที่ท่านจะถามแต่เพียงแค่โทษความชั่วยอย่างเดียว ท่านฐานโทษเรื่องความชั่วเมื่อพวกสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้พูดตรงตามความเป็นจริงอยู่เสมอเขาไม่โกหกกันไม่เหมือนคนในเมืองมนุษย์คนในเมืองมนุษย์เนี่ยโกหกตอแหลกันมากท่านไปอย่างนั้นนะว่าตามท่านจะห้ญญาวหยาบจะญาติโยมพุทธบริษัทมักจะไม่รักษาสัจจะคือความจริงแต่ว่าบางเมื่อเขาออกมาจากคร่างแล้วแบบนี้คําว่าโกหกไม่มีสําหรับเขา เมื่อปัญายอมถามเรื่องโทษทั้งความผิดเขาก็ยอมรับโดยการดุสนีคือนิง่งแต่ว่าพลาดไปข้อเดียวเขาเยงคานเมื่ อ, อท่านถามเรื่องความชั่วแล้วท่านก็ถามความดีแต่ว่าปรากฏว่ามีความดีอยู่ท่านก็ให้ไปสวรรค์ก่อนเป็นว่าแดนที่หลานเห็นเนี่ยเป็นแดนขุนจาตุ m a าราช แต่แดงของนรกจริงๆไกลไปโพ้นโน้นมันไกลไปประมาณพันโยชต์แต่ว่าที่หลานสามารถจะเห็นได้ว่ามันไม่ไกลเขาเพราะเวลานี้หลานร่างกายเป็นทิพย์ใจก็เป็นทิพย์แร่างกายของหลานเวลานี้เป็นพรหมนะหลานจำไม่ดีว่าไอ้ของหลานเวลานี้เป็นพรหมนะหลานจำไม่ดีว่าก่อนที่หลานเอาจะเอาจะร่างกายเดิม หลานออกด้วยกําลังข้นชาญสี่ตอนนี้เมื่อออกได้กําลังข้นชาญสี่ก็ต้องเป็นพรมถ้าไปเป็นพรมก็ต้องเป็นพรมชั้นที่สิบเอ็ดเพราะว่าหลานมีกําลังชาญสี่ละเอียดมากล้วคุยเัาท่านต่อไปท่านก็บอกว่าสถานที่ลงโทษสัตว์ที่ทำชั่วที่ทำชั่วนะเมื่อรมปลายเขาสิ้นแล้วคือตายเขาก็นำมาลงโทษกันที่นี่ จะได้ถามท่านต่อไปว่าคุณลุงคุรับเขาลงโทษกันนั่นเขาทำยังไงคุณลุงท่านก็นบอกว่าที่ต้องโทษเหมือนกันหมดก็คือไฟเผาไฟเผานถูกไฟเผ า, าเหมือนกั น, นเรื่องไฟเผานรกถือว่าไฟเป็นอันดับหนึ่งคือเป็นพื้นฐานทุกขุมจะต้องมีไฟสำหรับเผาแต่ว่าความร้อนของไฟมันไม่เท่า ก, านกันหรากหลาน คนนี้ทําชั่วมากไฟที่เผาก็มีความร้อนมากกว่าคนที่ทาชั่วน้อยแต่นอกจากไฟก็ยังมีการประหารพระดาวุตตอนนี้ทักสงสัยว่าไอ้ไฟเนี่ยมันมีความร้อนมากมีความร้อนน้อยขนาดไหนครับท่บานบอกว่าไฟขนาดที่มีความร้อนน้อยที่สุด ก็จะมีความร้อนสูงก็ไฟที่หลานหุงข้าวประมาณทักทักยี่สิบล้านเท่าถ้ามนุษย์ธรรมดาเดินมาเนี่ยอยู่ระยะห่างจากนรกประมาณร้อยโยน์ไฟก็จะไม่ทำให้ตาบะถุทันทีห่างจากไฟร้อยโยชน์โอมันร้อนจริงๆเวลานี้อยากจะแบ่งความร้อนมาใช้กับเครื่องยวดยานภานะของเราบ้างก็จะดี ทางที่ดีนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายควรจะค้นคว้านรกให้พบเวลานี้อุปกรณ์ทําความร้อนของเรากําลังขายแคลนที่พูดนี่เป็นพูดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยี่สิบสองนะน้ํามันมันกํนาลังน้อยไอ้ความร้อนที่จะใช้เป็นประโยชน์กับโลกมันกันน้อยทางที่ดีนักวิทยาศาสตร์ควรจะไปแบ่งเอาความร้อนจากนรกมาใช้บ้างก็ดีเหมือนกัน เข้าใจว่าเขาไม่ห้ามคุยกันต่อไปท่านบอกว่า น, นอกจากความร้อนแล้วก็ยังมีอาวุธเป็นเครื่องประหารแต่ได้ว่าพวกนี้ไม่มีการตายหลักหลานจะร้อนเท่าไหร่เขาก็ไม่ตายจะสับจากฟันเป็นท่อนเป็นตอนละเอียดเท่าไหร่ก็ไม่ตายเพราะว่าถ้าตายมันก็ไม่เจ็บมันจะต้องไม่ตายแล้วก็ต้องเจ็บต้องร้อนตลอดเวลาซึ่งเปการลงโทษนะโอ้โหดีไหม การลงโทษนี่เป็นการลงโทษไม่เคิดหลับแล้วยิงให้ถามท่านบอกเมื่อท่านบรรยายทั้นตอนนี้ก็ถามท่านว่าการลงโทษนี่มีการบังคับกันมาเพื่อการลงโทษแล้วก็การลงโทษนี่โทษสาธารโทษกฎหมายเขาวางไว้ว่ายัางไงควรรับ ท่านก็บอกว่ากฎหมายมันไม่มีหลักลานไอ้โทษที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าพระยากยมท่านจะวางกฎวางเกณฑ์ไว้หรือว่านาย น, นิติบาลญัติพุทธาสนรกทํางานในนรกจะลงกฎลงเกณฑ์ไว้ไม่ใช่อย่างนั้นคือว่าโทษเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการกระทำเขาบุคคลนั้นเองือว่าคนไหนทําความชั่วประเภทไหนไว้ก็โทษลงโทษเองไอ้การลงโทษเนี่ยมันเป็นอัตโนกรรม ก็หมายความว่ามันเป็นไปตามกรรมที่ตนทําไว้ไม่ใช่ว่าใครเขาจะเขาจะกลั่นจะแกล้งไม่ใช่อย่างนั้นการที่ว่าต้องมาลงโทษไม่ใช่เจตนาเขาพระยายมพระยายมมีเจตนาเขาพ้นโทษเจตน า, า, นนายนิจบาลเองเขากไม่ได้ตั้งใจจะลงโทษแต่ว่า ก, กฎข้องกรรมมันบีบบังคับพู้นี้จะไปต่างกําลังของกรรมคือการกระทํำที่ตนทําไว้โอ้ดีเหมือนกัน เมื่อท่านบรรยายถึงความตามเรื่องของแก่ทั้งท่านแล้วท่านก็ออกปากอาตมานะตอนนั้นนะอาตมาก็ออกปากขออนุ ญ, ญาตอยากจะลงไปดูก็จะเรียกท่านว่าคุณลงครับผมนะ่ามีความสงสัยอยากจะดูให้มันใกล้กว่านี้อยากจะลงไปจะไปได้ไหมครับ มันดาผู้ท่านลุงทั้งสี่คนแต่งก็แสดงการเดือดร้อนมากหน้าเสียมองหน้าตาชักไม่ดีหน้าสิดๆรู้สึกว่าท่านหนักใจมากเมื่อฐานจบท่านก็ร้องมาพร้อมกันว่าไปไม่ได้ออหลานหลานชายอย่าไปเลยนะหลานน่ะไปไม่ได้ถ้าหลานลงไปนะลุงทั้งสี่คนเนี่ย จะต้องถูกลงโทษอย่างหนักเอ๊ะตอนนี้มันก็แปลกใจที่ญาติโยมเขาไปกันได้แต่เราไม่มีสิทธิ์จะไปยังได้เรียนถามนูน ว, ว่าคนลงคนรับทำไมละ่ะก็ผมจะลงไปดูเนี่ยทำไมคนลงจริงต้องถูกลงโทษแล้วก็ใครเป็นคนลงโทษลงแล้วคนรับท่านก็บอกว่าเพราะว่าตามกฎของเมือง น, นี้เขามีว่า คนที่จะตายคำว่าจะตายนี่ท่านพูดอีกสั์หนึ่งว่าเวลาที่จะออกจะมาจากร่างเนื้อคือว่าไอ้กายนี้มันเป็นกายหนึ่งที่สิงอยู่ในร่างเนื้อเขาเรียกกันว่าทิศมานกายแต่ว่าอย่างของหลานเนี่ยเขาเรียกว่ากายทิพเป็อกายที่เป็นทิพกา ย, ท, กาย ท, ที่มีบุญก่อนที่จะตาย คนที่ก่อนเยียดตายได้ก่อนเอาจากกายเดิมนะ่ะถ้าว่าภาวนาหรือว่าพุโทโธหรืออะรหังหรืออะไรอย่างหนึ่งในจิตคิดอะไรก็ตามในทัศนะที่เรียกว่ามีอารมณ์เป็นกุศลคนประเภทนี้ท่าลนลงอนุญาตให้เข้าไปในแดนของนรกท่านพระยาโยมราชท่านจะลงโทษลงทั้งสี่นี้อย่างหนะัก ที่กราบเรียนนีว่าก็บอกว่าเมื่อลุงไม่ไดก้ก็ลุงไม่ได้จับผมมานี่ครับผมตามคุณลุงมาเองแล้วผมเองผมก็อยากไปเองไอการไปนี่คุณลุงไม่ได้บังคับผมนี่แล้วลุงจะถูกลงโทษดียังไงผมคิดว่าไอเรื่องนี้มันไม่ใช่ความผิดของคุณลุงในพระรับท่านทั้งสี่ก็บอกว่าไม่ได้ดอกหลาน เพราะหลานมาในขณะที่ลุงพาคนมานะถ้ามาเองแล้วก็ลงไปเองก็ไม่เป็นไรไม่เนื่องในลุงแต่ว่านี่หลานมาขณะที่ลุงพาคนอื่นมาด้วยแล้วก็มาพร้อมๆกันถ้าลงไปเขาก็จะหาว่าลุงเนี่ยไปจับเอาคนที่ไม่มีความผิดคนที่มีความดีอย่างนี้ถ้าลงไปแล้วก็ลุงถูกลงโทษแ น, น่หลาน ถ้าหลานอยากจะลงไปดูก็ต้องไปเวลาอื่นไม่ใช่เวลานี้เป็นนั้นว่านิสัยดื้อของแต่มามันก็มีอยู่เป็นนิสัยเดิม ว, ว่าเขาห้ามที่ไหนก็อยากจะรู้ที่นั่นเขาปกปิดอะไรก็อยากจะเห็นอยากจะรู้นี่เป็นวิสัยฉะนั้นการบวชคราวนี้จึงมากันในเรื่องว่าอยากจะรู้ว่าที่พระพุทธเจ้าทรงจัด ว่านรกมีจริงเปรตมีจริงอสุรกายมีจริงเทวดามีจริงพรมีจริงนิพพานมีจริงก็อยากจะรู้ว่าจริงยังไงจึงบวชกันด้วยการพิสูจน์อาตมาเองก็มั่นใจบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทว่าพระทุกองค์ที่แท้งบวชข้มาในพุทธศาสนามีตำแหน่งตั้งแต่เจ้าว่าขึ้นไป ขอภัยนะว่าที่ท่านมีตาแหน่งต่านแต่เ จ, จ้าวาดขึ้นไปก็ดีที่ท่านเรียนจบนักธรรมก็ดีท่านที่เป็นมหาป ร, รียงก็ดีท่านที่ได้ปริยายก็ดีก็คิดว่าท่านอาต ม, มาก็เหมือนกันแต่อาต ม, มาคิดว่าท่านดีกว่าอาต ม, มาเพราะว่าท่านมีความรู้ดีกว่า ท่านมียศมีตำแหน่งดีกว่าไอ้เรื่องนรกเรื่องสวรรค์นี่ญาติโยมพุทธบริษัทอาจจะมามั่นใจว่าถ้าไปถามท่านนะท่านบอกได้ทันทีพวกนี้ท่านลงไปได้หมดเพราะเวลานี้ปรากฏว่าเด็กๆเล็กๆคารวะก็มีความสนใจสนักท่านหลายๆสิบตำ น, นักท่านก็สอนกันยิ่งเย็นว่าพระที่บวชเข้ามาในเวลานี้นั้นท่านคงจะบวชเอาจริงเอาจัง แล้วก็คงจะได้ดีกันมานานแล้วแต่ว่าท่านที่ไม่บอกบรดาญาโยมผู้ธบริษัทก็ถือว่าท่านเป็นผู้มีมัญญาดีไม่มีการโอ้อวดใดๆทั้งหมดท่านปฏิบัติตามกระแสพระสัทธมัทิินาขององค์สมเด็จพระบรมสุคตถือว่าถ้าไม่ถึงวาระก็ไม่บอกใครฉะนั้นเวลานี้เป็นเวลาที่ถึงวาระและ้วบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลาย คิดว่าพระทุกองค์เนี่ยท่านบอกได้หมดนะอาตมามีความรู้สึกอย่างนั้นนะเพราะว่าอาตมาเคยไปสนทน า, นากับท่านพระที่ท่านได้รเรียนชั้นสูงที่ได้นักธรรมมีตําแหน่งหน้าที่รู้สึกว่าจริยาของท่านดีมีลักษณะคล้ายพระอราหันตุกองค์แต่ว่าท่านจะเป็นหรือไม่เป็นอาตมาไม่ทราบนะจะไปยกโมโนมายาตมาว่าจะยกให้เปาานะ็นอรหันต์นั้นไม่ใช่ <c oughs> คือว่าอาตมารู้ไม่ได้เพราะไม่มีกําลังใจรู้แต่เห็นจริยาท่าทางก็าถ้าสงบเสงี่ยมเวลาอธิบายธรรมก็แจ่มใสพูดธนรกสวรรค์นิพพานทันงอธิบายได้การที่าท่านอธิบายได้เนี่ยแสดงว่าท่านไปได้นโะยบยาติโยบอาตมาเข้าใจาอเองนะถ้าบังเอิญจะพลาดตั้งไปขอประทานอภัยโดยเพราะอาตมาเนี่ยมีความรู้น้อยจริงๆ เรื่องของใบศาสนานี่อาตมาก็เรียนกับเขาไม่มากการปฏิบัติอยู่กับหลวงพ่อปายก็ปฏิบัติไม่มากฉะนั้นท่านที่รู้มากปฏิบัติมากท่านก็คงดีกว่าอาตมาอาตมานี่ก็ว่าไปตามเรื่องทัานที่ตายไปแล้วท่านั้นความรู้มันก็ไม่กว้างขวา ง, วางเอคุยกันต่อไปไปถึงไหนก็ไม่ทราบลวลืมดูหนังสือหนังสือหายไปแล้วทีไปเดี๋ยวดูก่อนนะเป็นนั้นว่า เมื่อท่านลุงท่านบอกว่าลงไปไม่ได้ลุงมีความผิดไปอันนนก็ตามต่อก็เนตเนบอกว่าก็ผมจะไปเองนี่ครับแต่เงินบอกว่าไม่ได้เพราะหลานมาขณะที่คุณลุงพาคุณเอิญมาถ้ามาเองจะลงไปก็ไม่เป็นไรเพราะไม่เนื่องในลุงพอจะมานี่นี่ใส่ไม่ดีถ้าอยากจะรู้อะไรไม่ต้องรู้ให้ได้จึงทําท่าลุกขึ้นจะเดินลงไปเอง พอถ้าอย่างนั้นลุงก็ไปทางหนึ่งผมก็ไปทางหนึ่งผมยะลงด้านโน้นลุงโดนด้านนี้ลงด้านนี้แสดงว่าผมกับลุงไม่ได้มาด้วยกันพอทำท่าขยับจะไปแตทั้งสี่คนลุกขึ้นมายืนเกาะแข็งกันทันทีกั้นไม่ลงแต่อนุภาพคนท่านเยอะนะท่านยืนเกาะแข็งกั้นเนี่ยความจริงเราจะใช้กําลังหลีกไปทางอื่นคงจะทําได้ใจคิด แต่ไม่มีอำนาจที่ทำได้เลยท่านบอกไปไม่ได้หลานเท่านั้นขาไม่แข็งก้าวไม่ออกไม่ใช่กลัวแต่มันก้าวไม่ออกจริงๆก็เลยนึกขำในใจคิดว่าเอ๊ะเทวดานี่ก็ทรรมนเด็กๆเมื่อออกปากอยากจะดูการลงโทษแกก็บอกไปดูไม่ได้ เมื่อถามนันว่าอยากจะดูนั่นท่านยังกลับมาถามว่านี่หลานหลานบอกลุงมาที่ว่าหลานอยากจะดูนรกขุมไหนทีนี้กราบเรียนถามนั่นว่าคุณลงุงรับนรกนั่นมันมีกี่ขุมท่านก็ตอบว่านรกขุมใหญ่นั่นมันมีแปดขุมนั่นหลานนะแล้วก็นรกบริวาร น, นรกบริวาร น, นี่นมันเป็นทิศหลาน สมมติว่านารกขุมใหญ่เนี่ยมันมีขุมมันมีสี่เหลี่ยมที่เรียกว่ามีปลายขุมขึ้นนรกปกติแล้วมันก็มีนรกพิเศษอีกขุมหนึ่งที่เรียกว่าโลกันตรนรกอันนี้เป็นนรกพิเศษเข้าใจาว่าเป็นขุมที่เก้ากรได้แต่ว่าขุมที่เก้านี่ไม่มีบริวาร น, นารกที่มีบริวารมันมีอยูปลายขุมขึ้นต้นแบบสิ้นชีว่าสันทีพันนรกเป็นขุมต้น แล้วขุมที่ไทยเรียกกันว่าอเวจีมหานรกสําหรับนรกแต่ละขุมเอาแต่ละขุมเอาขุมเดียวกันเลยกันนะลงอธิบายฟังหนึ่งขุมเนี่ยจะมีนรกบริวารด้านละสี่ขุมแือว่าออกไปทางทิศไหนก็ตามจะพบนรกบริวารอีกด้านละสี่ขุมออกไปแล้วแจกขุมใหญ่ต้องไปโตกนรกบริวารสี่ขุมก่อน เอาด้านเดียวนะแล้วทุกคนออกด้านไหนก็ด้านนั้นแหละไม่ต้องไปออกด้านเอเดีกแล้วพอออกนรกบริวารจากนรกบริวารสี่ขุมแล้วต้องไปตกยมมาโลกจิจยะนรกอีกสิบหกขุมอีกเป็นว่ายมมาโลกกิจยะนรกสิบหกขุมแล้วก็นรกบริวารสี่ขุมด้านหนึ่งเป็นว่ามีนรกนอกจากขุมใหญ่ต้องไปผ่านนรกอีกยี่สิบขุม เป็นวันหนึ่งนรกคุ้มใหญ่หนึ่งคุมแล้วก็มีสี่ทิศมีนรกบริวารที่ต้องผ่านอีกทิศละยี่สิบคุมแปลว่านารกนรุมใหญ่หนึ่งคุมก็มีนรกบริวารแปดสิบคุมแปดสิบเอ็ดถ้านารกขุมใหญ่ที น, นี้หลายก็นับไปว่าไอแปดคุมนะ่ยมันต๊อกไปเข้ามาคูณมันได้เท่าไหร่แล้วก็ยังมีนรกพิเศษนั่นก็คือ อ โ, อโลกันตะนรกไอ้โลกันตะนรกเนี่ยเขาเรียกนรกแปะเจี๋หลานมันเป็นนรกที่ลงโทษคนที่มีจิตเลวแสนเลวแล้วก็ยังไม่นับอายุให้มันมืดมิดมีเป็นน้ํำกรดมีความเย็นมากมในถ้าในเขานั้นเป็นหินนิคมแล้วก็มีอายุนานพระพุทธเจ้าจัดไปหลายสิบองค์พวกนี้ยังไม่มีโอกาสจะเกิดเจนรกขุมนี้โอ้โหก็นาอธิบายเพลินเลยนะ เป็นนั้ฟังแล้วก็ใจหายวาบ <c oughs> เป็นนั้นว่าเมื่อท่านอธิบายเสร็จท่านก็บอกว่าก็ก็กลับเรียนกท่านว่าผมน่ายอยากจะดูนรกคุ้มใหญ่สักหนึ่งขุมคอรับจะได้ทราบกันว่าเขาทำกันยังไงเอาขุมเดียวครับได้ไหมท่านก็บอกได้หลานหลานไอ้เงี้ได้แต่ว่าหลานจะลงไปนะ หลานจะลงไปลุงจะให้ดูให้ใกล้ดีสุดนี่แล้วก็นั่งนึกในใจว่าเทวดานี้ท่านเก่งนะท่านดึงนรกเข้ามาได้แต่ท่านเคชี้มือว่านรกขมที่หนึ่งอยู่ตรงนี้พอท่านชี้ก็เหมือนกับเรายือนอยู่ที่ปากหลุมเนี่ยนุภาพของเทวดาแต่ได้เคชี้เห็นชัดเหมือนกับยือนอยู่ที่ปากขุมใกล้ไกล ภาพมนุษย์ในนั้นไม่มีอะไรที่น่าสนุกสนานเลยบรรดาญาโยมพุทธบริษัทคนที่ลงไปนอนอยู่ในทะเลเพลิงได้ไปกระลุกท่วมนะพวกหัวเยอะจะหลายเท่ามีสรรพวัตถพส์รพ น, น, นานาชนิดมีทั้งหอกทั้งดาบทั้งแหลนทั้งหลาไปไหนก็เจอแต่วุธตระเวลา เสียงก็ร้องละงมไปหมดไอ้ไฟก็ไม่ออาวุธก็ประหารตายแกก็ไม่ตายขนาดถูกหอกสามสี่เล่มแทงทะลุทุนไปหมดทั้งตัวไฟก็เผาก็ไม่มีใครตายถูกฟันตัวขาดมันก็กลับติดกันมาใหม่ไม่รู้จะตายถ้าย้อนย่าโยมจะถามว่าเออเรื่องนรกนี่พระพุทธเจ้าถัดไวที่ไหนก็ต่อตัดไปเยอะ ถ้าพระท่านดูในพระวินัยปีดกท่านก็เห็นนรกแล้วฮะอย่างเรื่องทนใยมีลาศมีก็มีเรื่องนรกโอ้ตั้นตัดว่ายแยะอยะูยย่มีเยอะะดํำราในพุทธศาสนานะดูแล้วก็รู้สึกว่าสลดใจชมไปเห็นก็นั่งคุยกัานะพอชมพอเห็นพอได้ที่ก็คุยกับบรรดานักปราชญ์ประเภทดี ไม้กวนนรกเนี่ยแต่ได้ขุมมันเป็นสี่เหลี่ยมแล้วพื้นข้างล่างก็เป็นเหล็กสี่เหลี่ยมข้างล่างก็เป็นเหล็กไอ้เหล็กเนี่ยถกเผาจนแดงโชนหมไ ม, ไม่ไม่ไหวแล้วไฟก็เป็นเปลวขุมแรกที่ดูก็เป็นสันชีพนรกเป็นนรกที่รู้สึกว่ามีความร้อนน้อยที่สุดแต่ท่านลุงบอกว่าไฟที่หลานหุงข้าน่ะ มันยังอ่อนกว่าไฟในรกขุมแรกแี่ร้อนน้อยที่สุดหลายล้านเท่าโอ้โหไม่ไหวแล้วออ ย, ยาติโยมคนไหนอ ย, ยากจะไปก็เชิญตามสมบายนะธรรมมาก็ไม่ว่าเพราะอรรมานี่เป็นคนตามใจคนใครอ ย, ยากจะไปในรกก็ชี้ทางให้ใครอ ย, ยากจะไปเป็นเปรตอสบกายก็บอกให้ใครอ ย, ยากจะไปเป็นสัตว์ที่ใช่ก็บอกให้ ข้ายากจะเกิดเป็นคนดีคนจนคนรวยก็บอกให้ข้ายากจะไปสวรรค์ไปพรหมก็บอกให้ข้ายาจะไปนิพพานก็บอกให้โยมถ้าจะถามว่ารู้ได้ยังไงมีความรู้ดีมากเลยก็บอกว่าต้องขอรกราบเรียนบรรดา ญ, ญาโยมทุกท่านว่าความจริงอาตมาไม่มีความรู้เลยแต่ความรู้ที่จะบอกญาโยมพุทธบรรษก็เป็นความรู้ของพระพุทธเจ้านั่นเอง อาตมาไม่เชศสัพพญิววิสัยแต่อาตมามีความเชื่อมั่นอยู่อย่างหนึ่งว่าพระพุทธเจ้านั้นมีจริงและคําสอนของพุทธเจ้าก็จริงถ้าจะถามว่ารู้ได้ยังไงแน่มั่นใจในนางสีหรือก็ต้องตอบว่าอาตมาไม่ได้มั่นใจในางสีขณะที่อานางสีก็รับฟังไว้ก่อนไม่ยอมรับแล้วก็ไม่ปฏิเสธ ส่วนที่จะรู้ได้ก็อาศัยการปฏิบัติเป็นหลักประกันตัวเป็นการวิสูตรด้วาายการปฏิบัติแต่ไการปฏิบัติที่จะมาได้ในพุทธศาสนานี่มันอยู่ขั้นอนุบาลขั้นเด็กเท่านั้นเองไม่ใช่ขั้นมัธยมมีคนมาถามว่าหลวงพ่อบรรลุมรผลเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่เมื่อไหร่อันนี้ก็ขอตอบไปเลยบรรดายาโยมพุทธบริษัททั้งหลาย อาตมาไม่เคยมีความรู้สึกตัวว่าเป็นพระหลานและอาตมาก็ไม่เคยมีความรู้สึกตัวว่าเป็นพระทรงฌานเรื่องนี้อาตมาไม่เคยสนใจมีความสนใจอยู่อย่างเดียวว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทำแบบไหนมีความสุขก็พยายามทําแบบนั้นเท่านั้นมันจะมีฌานสมาบัติ นด่จะเป็นประโสนาซีทาคานาคารหารันนั่นไม่ใช่วิสัยอัตมาและไม่ใช่ความต้องการของอัตมาอัตมาต้องการอย่างเดียวว่าจะทําอย่างไรไม่เข้าถึงสังขารูปเปกขายานพยายามทําอย่างนั้นแต่เวลานี้ไม่เข้าถึงออย่างก็ไม่รู้สึกตัวเหมือนกันไม่ทราบว่าเวลานี้ถึงไหนเพราะไม่สนใจ สนใจอย่างเดียวว่าทํายังไงกําลังใจมันมีความสุขเท่านี้พอ แ, แล้วเราก็ยังมานั่งนึกว่าไอ้นรกที่เห็นมาแล้วเนี่ยยังจะมีโอกาสลงไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบเอาคุยกันต่อไปนะเดี๋ยวเวลานะทีเดียวเอแต่ว่าสอนเชฟบ้านได้นิดหน่อยว่างั้นนะตเาเปน็นอนุ瓦ท่านที่เป็นหัวหน้าคุณลงที่หัวหน้าก็บอกว่านี่หลานรัก หมดเวลาเส็จแล้วนะทางเมืองมนุษย์ไี่เกือบจะสว่างแล้วหลานก็จะต้องรีบ ก, กลับเมื่อท่านบอกแล้วท่านก็ให้กลับอีตอนท่านบอกให้กลับบรรดาญาจโยมก็เลยเกิดจําทางไม่ได้เพราะไม่ได้สังเกตไว้ท่านลุงจะได้หันไปหาคนที่คุมท้ายแถวมานะท้ายแถวว่าส่งนะเพราะนี่แก แกต้องเอาเด็กคนนี้ไปส่งเพราะแกเดินมาทางหลังแกไม่ดูไม่ระวังแต่ลุงคนนั้นแกกระชักทําหน้ามโหมโหว่าเราเสือกแก็ต้องทําให้ใจลําบากแกก็เลยจับสองขาได้เอาตัวเวียงขึ้นบ่าแล้วก็พาวิ่งแบกวิ่งมาขึ้นเขาลงเขาพอมาถึงหน้าบ้านเป็นหน้าประตูแกก็เอาหัวพุ่งเสียกับประตูพรวด ก็เขาบอกว่าแกก็ด่าว่าไอ้หาเจ้าเอาไปมึงเสือกทำให้กูลําบากทําไมก็ไม่รู้ภายกูลําบากด้วยเธอมึงไม่ตามไปกูก็ไม่ลาบากแล้วแกก็หายไปตอนนี้ท่านายาังไงบรรดาญาโยมพระธบริษัทน์ทั้งหลายแกพุ่งเข้าไปตูวไปแล้วแกก็หายไปสําหรับวันนี้จะพูดอะไรกันต่อไปดีไหมในเมื่อหายก็หายด้วยกัน เรื่องหายไปเวลามองดูก็หายไปเหมือนกันเป็นนั้นว่าสําหรับวันนี้ก็ต้องขออเมลายันบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่านกน่อนวันหลังฟังกันใหม่ในโยมนะเพราะเวลามันหมดขอบรรดาสาวกพระองค์สมเด็จพระบรมสุ ข, ขทุกท่านที่สดับก็จงมีแต่ความสุขสวัสดิพิพัฒนามงคลสมบูรณ์ปูนผลได้จงเจริญไปด้วยจา่าตัวและพิธักษ์พรชัยทั้งสี่ประการ มีอายุวันนาสุขาพระละและปฏิภานหาทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจะทุะการสวัสดี